ดูก่อนจุนทะตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นตถาคตกล่าวอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดกล่าวอย่างนั้นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเราเป็นตถาคตเนะเป็นตถาคตก็แปลว่าทำอย่างที่พูดพูดอย่างที่ทำดูก่อนจุนทะตถาคตเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลากพรหมโลกในหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครใครครอบงําไม่ได้เป็นผู้เห็นโดยท่องแท้ เป็นผู้ให้เป็นผู้ให้อำนาจเป็นไปเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเราเป็นตถาคตนะเป็นตถาคตก็เพราะว่ายิ่งใหญ่จริงๆไม่ว่าจะโดยรู ป, ปกายหรือนามกายนามกายเนี่ยนะหมายถึงคุณธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นศรัทธาเป็นต้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหมดเลยพระองค์ย่อมรู้จักบุคคล น, นั้นผู้ตั้งอยู่เนี่ยนะ ใครเป็นยังไงเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อแตกกายตายไปจะเข้าถึงอบายทุกติวินิบาดนรกไอคนเนี่ยชีวิตอย่างนี้นะใช้ชีวิตตลอดชาติแบบเนี้ยชาติหน้านรักรู้เลยพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยกรรมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อตาย กายแตกไปจักเข้าถึงกำเนิดเดรัชานพฤติกรรมแบบนี้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่างนี้ชาติหน้าปลาแน่นอนนะปลวกแน่นอนมดแมลงแน่นอนเนี่ยรู้เลยนะรู้เลยว่าใครเป็นยังไงถ้าผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสามารถกรรมมาพิสังขารว่าบุคคล น, นี้กายแตกตายไปจักเข้าถึงเปรตเนี่ยนะอันนี้เปรตแน่นอนเน่นะใช้ชีวิตแบบนี้นาคชาติหน้าเปรตงหมน พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสา ม, มารถแห่งกรรมาพิสังขารว่าบุคคลนี้เมื่อแต่กายตายไปจากอุบัติในหมู่มนุษย์นี่ยนะครับกุศลกรรมบทอย่างเงี้ยรักษากุศลอย่างเงี้ให้ทานรักษาศีลอย่างเงี้ยมนุษย์แน่นอนพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงรู้จักบุคคลผู้ตั้งอยู่ในโลกนี้ด้วยสามารถกรรมาพิสังขารว่าบุคคล น, นี้เมื่อกายแตกแไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้สวรรค์นะ นี่สวรรค์ฉันจ่าตุ่มดาวดึงยามาดูสิทธิ์นี้เกิดในพรหมโลกนะังไงพระ อ, องค์รู้หมดเลยสมจริงตามพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกรสารีบุเราย่อมกาหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแลว้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจะเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนารก รู้เลยอนาคตเนี่ยอบายทุกปิวินิบาทนรกแน่นอนดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจของบุคคลในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้ดำเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจะเข้าถึงกำเนิดเตราชาั้น ดูก่อนสารีบุตรเรากําหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นน่ะประพฤติอย่างนั้นดําเนินไปตามทางนั้นเมื่อกายแตกตายไปจะเข้าถึงเปรติวิสัยนะสรุปว่าพวกล่วงอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยนะอบายทุกขติวินิบาตินรกเนีย่ยนะถ้าไม่ละไม่เลิกไม่เปลี่ยนเนี่ยนะถ้าไม่ละไม่เลิกไม่เปลี่ยนไม่สมาทานกุศลกรรมเนี่ยอย่งให้ก็อบายทุกขติวินิบาตนรกแน่นอน นะือสัตว์เดรัจฉานหรือเปรตติวิสัย <c oughs> ดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ด้วยใจเนี่ยนะกำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดำเนินไปตามทางนั้น <c oughs> เมื่อกายแตกตายไปจากอุบัตในหมู่มนุษย์หรือว่าดูก่อนสารีบุตรเรากำหนดรู้ใจของบุคคลในโลกนี้ด้วยใจแล้ว ย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดําเนินไปตามทางนั้นเมื่อแตกกายตายไปจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนสารีบุตรเราเรากำหนดรู้ใจของบุคคลบางคนในโลกนี้ด้วยใจแล้วย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าบุคคล น, นี้ปฏิบัติอย่างนั้นประพฤติอย่างนั้นดาเนินไปตามทางนั้นจะทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันรู้แจ้งยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่นนแสดงว่าเป็นผู้รู้จักทางอย่างแท้จริงนะเพราะองค์รู้จักเออทางนี้นรกนะทางอยู่ที่ไหนกายวาจาใจนั่นแหละเอา้าทำกายวาจาใจแบบนี้นรกกายวาจาใจแบบนี้ปเปรตกายวาจาใจแบบนี้เดรัจฉานกายวาจาใจประพฤติแบบนี้มนุษย์กายวาจาใจประพฤติแบบ น, น, าาบบนี้เทวดากายวาจาใจแบบนี้ประพฤติเป็นพรหมโลกประพฤติกายตามสัมมา กรรมัตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะประพฤติว่าประพฤติวาจาตามสัมมาวาจาประพฤติที่เหลือตามสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเนี่ยนะอบรมอริยมรรคให้บริบูรณ์คือสุจริตสามที่เปี่ยมบริบูรณ์ปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตอันหาอาสวะไม่ได้อันพาหันก็คือผู้ที่กายสุดจริตวจีสุจริตและมนุสุดจริตบริบูรณ์เนี่ยนะพวกนี้ดับ ปฏิไม่ปฏิสนที่ในภพใดทั้งปวงคำว่าพ้นวิเศษแล้วก็คือพ้นวิเศษแล้วในอากินจัญญายตนะสมาบัติเยอะห น, นอีกอย่างหนึ่งคำพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าบุคคล น, นี้น้อมใจไปในรูปไอ้คนนี้ชอบสีเป็นพิเศษนนะแต่เรื่องสีมันสนใจเป็นพิเศษนะเกี่ยว่าภาพสวยๆมันจะซื้อเท่าไหร่ก็ยอมวนนี้ติดข้องในสี บางคนเนี่ยติดใจในเสียงมากบางคนติดใจในกลิ่นบางคนน้อมใจไปในรถบางคนน้อมใจไปในโพธาภะนะบางกลุ่มก็น้อมใจไปในสกุลบางกลุ่มก็ในคณะในอาวาสบางคนก็น้อมใจไปในลาบบางพวกก็น้อมใจไปในยศน้อมใจไปในสรรเสริญน้อมใจไปในสุขบางคนเนี่ยติดจีวรนี่ยสะสมจีวรหน้าดูหลยติดในจีวรบางคนเนี่ยติดในอาหารก็สะสมอาหารบางคนติดในที่อยู่ก็สะสมที่อยู่อย่างไงนะหรือติดในเคลาณะปัจจัยเภสัชบริขัน อันนี้พวกนี้อัธยาศัยไม่ค่อยดีอาศัยะไม่ดีคือน้อมไปในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะน้อมไปในสกุลคณะอาวาสหรือน้อมใจไปในลาบยศสันเสริญสุขหรือน้อมไปในจีวนบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพสัตวบริขารก็มีพวกที่ฝ่ายดีกว่านั้นก็คือน้อมใจไปในปิฎกสามนะบางพวกก็ น, น้อมไปในพระสูตรในพระวินัยและพระอภิธรรมบางพวกก็น้อมใจไปในถือผ้าบางสกุลเป็นวัด พันนี้ก็คือน้อมไปในทุดงนะนะไตรจีวณเป็นวัดถือบิณฑบาตเป็นวัดถือบิณฑบาตตามลําดับตรอกเป็นวัดนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัดฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดหรือว่าไม่ฉันพัดที่เข้ามาถวายในทีหลังเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดหรือว่าอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดอยู่ป่าชาเป็นวัดหรือว่าอยู่เสนาสนะตามที่เขาจัดให้เป็นวัดหรือถือการนั่งไม่นอนเป็นวัดนะนะเว้นอิริยาบถนอน อันนี้เรียกว่าพวกนี้น้อมใจไปในทุพในพระไตรปิฎกกับพวกน้อมใจไปในทุดงอันนี้ก็ฝ่ายดีไปเยอะแล้วแต่ก็มีพวกที่น้อมใจไปในปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานอันนี้น้อมใจไปในรูปสมาบัติบางพวกก็น้อมไปในอากาสารนันใจยตนาวิญญาณนันใจยตนะเนวสัตอากินเนวสัญญาสัญญายตนาสมาบัติเนี่ยนะมันก็พวกนี้ก็น้อมไปในรูปสมาบัติ สรุปก็แบ่งเป็นกลุ่มนะบางกลุ่มก็น้อมไปในปัญจาลมรูปเสียงกลิยนรถโรพธะะบางกลุ่มก็น้อมไปเนี่ยในสกุลคณะอาวัตบางพวกก็น้อมไปสกุเสริญสุับางพวกพวก็น้อมไปในปัจจัยสี่บางพวกน้อมไปในพระไตรปิฎกบางพวกก็น้อมไปในทุดงสิบสาบางพวกน้อมไปในรูปประจานบางพวกอรูปปัจจานอันนี้คเครียกว่าอัธยาศัยแต่ละคนเนี่ยน้อมไปไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันเนี่ยดูบนถนนสิอนนะานะ ถ้าถ้าทายสายเหมือนกันมันต้องวิ่งเล่นเดียวกันแต่ไม่ใช่ใช่ไหมเสื้อผ้านี่มันหลากหลายว่าทายสัยที่แตกต่างกันอันนี้คือความหลากหลายอัธยาสัยที่แตกต่างกันไปคําว่ามีสบมาบัตดเป็นเบื้องหน้าความว่าสําเร็จมาแต่อากินจัญญายตนะสมาบัติมีสมาบัตินั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีกรรมเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามีวิบากเป็นไปในเบื้องหน้าหนักอยู่ในกรรมหนักอยู่ในปฏิสนธิอนะห พวกนี้ก็ชอบชานมากติดในชานเนี่ยนะมุ่งไปสู่การเกิดด้วยผลแห่งชานนั่นแหละอีกอย่างหนึ่งพระองค์ทรงทราบว่าบุคคลนี้มีรูปเป็นที่ไปในเบื้องหน้านะพวกนี้แสวงหาสีอย่างเดียวบางพวกแสวงหาเสียงอย่างเดียวบางพวกหากลิ่นอย่างเดียวบางพวกรสอย่างเดียวบางพวกโพธาภาอย่างเดียวบางพวกหาแต่ตระกูลอุปถาอย่างเดียวบางพวกหาคณะหาพวกบางพวกก็หาที่อยู่เนี่ยนะหาสร้างอาวาสอย่างเดียวบางพวกก็น้อมลาบยศสรรเสริญสุข บางพวกก็น้อมไปในจีวอนเนี่ยนะในบินธบัตเป็นต้นอัธยาศาัยแตกต่างกันนะในปัจจัยสี่ในคำพีก็เหมือนกันนะชอบไม่เหมือนกันอีกหรือในทุดงแต่ทุดงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันหรือแม้กระทั่งในรูปปัจจานรูปปัานนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าพระองค์เนี่ยรู้ยิ่งรู้แจ่มแจ้ ง, จ ง, จงวิญญาณทิติเนี่ยนะทั้งที่เป็นกรรมวิญญาณและปฏิสนธิวิญญาณทั้งสองฝ่าย พระองค์เนี่ยรู้จักว่าบุคคล น, นั้นเมื่อตั้งอยู่คือตั้งอยู่ในสภาพใดเนี่ยรู้หมดเลยนะตั้งอยู่ด้วยกรรมทําอะไรนะคือตั้งอยู่ด้วยอํานาจทํากรรมยังไงแล้ววิบากต่อไปจะมียังไงอ่าพ้นวิเศษแล้วมีสมาบัติปะนั้นเป็นไปในเบื้องหน้าคือหมายาว่าเขาเนี่ยปฏิบัติจนได้อากิจจัญญายตนะสมาบัติยืนยันอยู่ในอากิจจัญญายตนะสมาบัตโน้มไปในอากิจจัญญายาสมาบัติเพราะฉะนั้นถ้าจะเกิดก็เกิดใน อากินจัญญายตนาภบนั่นแหละบุคคลนั้นรู้กรรมว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนาภบสรุปบอกตรงๆนะว่าให้ท่านเข้าใจนะว่าไออากินจัญญายตนาสมาบัตของท่านเนี่ยมันนําไปเกิดในอากินจัญญายตนาสมาบัตอ่าอันอากินจัญญายตนาภบเนี่ยนะมีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบคือไอ อากินจัญญายตนากุศลเนี่ยนะที่จะมีวิบากต่อไปเพราะท่านมีฉันทราคะในสมาบัตินั่นแหละนะตัวตันหานี่แหละตัวประกอบให้อรูปปัจานให้ผลนําเกิดต่อไปครั้นรู้จักกรรมนั้นอย่างนี้แล้วในลําดับนั้นพิจารณาเห็นธรรมะในสมาบัตินั้นนั่นแหละเป็นยานอันเที่ยงแท้ของบุคคล น, นั้นซึ่งเป็นพราหมณ์อยู่จบพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นต้องอาศายัยอากินจัญญายตนะนั้นเจริญสมาบัติ แล้วตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นนะ่ะนะท่านจะอยู่จบพรหมจรรย์ไหมว่าจะอยู่จบอริยมรรคเนี่ยต้องทําอย่างนั้นนะต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็บอกให้เจริญวิปัสสนาในาอากินจัญญายตนะสมาบัตินะเอาอากินจัญญายตนะสมาบัติมาพิจารณาจนตัดฉันทราคะที่ดำเนี่ยนำเกิดได้ อธิบายว่ารู้กรรมว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะพบคำว่าการรมมาพิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะพบตรัสว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะพบคือรู้ทราบเทียบเคียงพิจรารณาทำให้เจียมแจ้งทำให้ปรากฏซึ่งกรรมมาพิสังขารอันให้เป็นไปในอากินจัญญายตนะพบว่าเป็นเครื่องคล่องเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องกังวล เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ารู้กรรมเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะภพนะนะรู้นะว่าตัวกรรมนะเป็นตัวนำเกิดอ่ะนะถามว่าทำไมไอ้ตัวกรรมนั้นมันนำเกิดได้อ่ะก็เพราะว่ามีความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบความว่าความกาหนัดในอรูปตรัสว่าความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบรู้กรรมนั้นว่าเกาะเกี่ยวพัวพัน ด้วยความกำหนัดในอรูปคือรู้ทราบเทียบเคียงพิจารณาให้แจ่มแจ้งทําให้ปรากฏซึ่งความกำหนัดในอรูปว่าเป็นเครื่องคล้องเป็นเครื่องผูกพันเป็นเครื่องกังวลก็ฉันทราค้าในอรูปสมาบัติเนี่ยนะเป็นตัวนําเกิดนะเพราะถ้าะมีฉันทราค้าใ น, น, นอรูปสมาบัตินั่นแหละตัณหาตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวนําเกิดให้นะเพราะงั้นกรรมไม่ให้ผลหรอกแต่ว่าจะจะตัดฉันทราคะอันนั้นได้ก็ต้องนนแหละระดับ อรหัตตมรักนัล่ละจริงจะตัดได้จริงเพราะฉะนั้นรู้จักกรรมนั้นว่ารู้จักกรรมนั้นอย่างนี้คือรู้จักทราบเทียบเคียงพิจารณาทําให้แจ่มทําให้แจ้งทําให้ปรากฏกรรมนั้นอย่างนี้ ลำดับนั้นก็พิจารณาเห็นธรรมะในสมาบัตินั้นนะนะคือเข้าอกินจันญายจตนาสมาบัติออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็พิจารณาเห็นตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูซึ่งธรรมทั้งหลายคือจิตและเจตสิกอันเกิดในสมาบัตินั้นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกซ้อนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้เป็นดังผู้อื่นเงี้ยนะอ่าเป็นสภาพชำรุดเป็นเสนียดเป็นอุบาทเป็น ความไม่สำราญเป็นภัยอุปสรรควันไว้ผูพังไม่ยั่งยืนไม่มีอะไรต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีสาระไม่มีที่พึ่งว่างเปล่าศูนอนัตตา ม, มีโทษแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่เป็นแกนสารเป็นมูลแห่งทุกข์เป็นผู้ฆ่าเป็นสภาพปราศจากความเจริญมีอาสะวะอันปัจจัยปรุงแต่ง เป็นเหยื่อมารมีชาติเป็นธรรมดามีชราเป็นธรรมดามีพญาทีเป็นธรรมดามีมรณะเป็นธรรมดามีโศกะปริเทวทุกขโทมนัดและอุปายาตเป็นธรรมดาฮั้นคนที่เจริญวิปัสสนาเนี่ยนะได้อารุปฌานละซึ่งอารูปฌานมันถือว่าเป็นสันตวิหารธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมะที่สงบระงับโอ้อย่างมากแล้วตามเห็นไอ้สมาบัตินี่แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกศรเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนะ เกตุท้าพูดแบบสำนวนเราคุ้นเคยกันก็คือหนึ่งคุณเจริญพุทธคุณให้มีปีเตียและพิจารณาปีเตียนั้นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกสอนเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้นี่ไอ้นี่ไม่ง่ายเลยนะที่จะตัดชั้นทาราฆาได้ขนาดนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต้องเจริญให้ได้กุศลศีลให้เกิดขึ้นแล้วอ่ะพิจารณากุศลทั้งหมดเหล่านั้นหรือ ให้ได้สมาบัตนะนะแล้วพิจรารณาสมาบัตเหล่านั้นนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีได้เนี่ยนะเก่งมากอนะแต่ถ้าไม่พิจรารณาอย่างนี้ไม่ใช่ฐานะเลยที่จะตัดฉันทราคะได้นะนะเพราะว่าแหมถือเป็นของดีเนี่ยนะถ้าได้ของดีมีอะไรบ้างที่ไม่น่าติดนะโดยเฉพาะรูปประฉานรูปปัจฉานทั้งหลายเลยเนี่ยน่าติดน่าข้องเป็นอย่างมากพันจึงเจริญวิปัสนาให้ละความเพลิดเพลิน ฉั้นคนที่เจริญวิปัสสนาจนสามารถตัดฉันธราคะได้นะนั่นแหละเป็นยานอันเที่ยงแท้ของบุคคลนั้นความว่านั่นเป็นยานอันแท้จริงทองแท้ไม่วิปริตของบุคคลนั้นอันนี้คือทางถูกที่สุดนะเนีเข้าชานออกจากชานเจริญวิปัสสนาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาจนตัดฉันทราค่าในสมถาวิปัสสนาได้อันนี้แหละชั้นยอดเหมั้งนะอันนี้แหละแน่นอนที่สุดมัองกัน เพราะฉะนั้นถ้าทําได้อย่างนั้นก็เป็นพราหมณ์เป็นผู้ลอยธรรมะเจ็ดประการเนี่ยลอยตันสากายะทิฏฐิวิจิกิจชาสีลรพัตต์ปรามาต น, นะนะราฆะโทสะโมหะทุจริตตันหากิเลทิ ท, ทิละได้ทุกชนิด น, นะนะถ้าปฏิบัติอย่างนั้นก็จะจบพรหมจรรย์นนะจบพรหมจรรย์คืออริยมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะส่วนพระเสขบุคคลเจ็ดพวกรวมทั้งกลาลยานาปุุชนย่อมอยู่อยู่ร่วมอยู่ทั่วอยู่รอบเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังทำที่ยังไม่ทําให้แจ้งส่วนพผ้าหานเนี่ยท่านอยู่จบทำกรณียกิจเสร็จแล้วปรงภาราเสียแล้วมีประโยชน์ตนอันถึงแล้วโดยลําดับมีสังโยชนในภพสิ้นไปรอบแล้วพ้นแล้วกิเลสพราะรู้โดยชอบนะพ้นพราะรู้โดยอภินญญาธรรมเตณญยธรรมรรร ม, มหาตปธรรมภาเวตปธรรมสัชิกาตาปธรรมเนี่ยนะ มันเรีกว่าเป็นพาทานมีธรรมะเครื่องอยู่จบมีจารณะอันประพฤติแลว้วเป็นผู้ที่ไม่ได้มีชาติสงสารคือชาติชรามรณะสรุว่าไม่มีพบใหม่อีกต่อไปสรุปคาถาที่พระองค์ตรัสตอบว่ารู้กรรมนั้นว่าเป็นเหตุให้เกิดในอากินจัญญายตนะพบมีความเป็นมีความเพลดิดเพลินเป็นเครื่องประกอบ นะรู้นะว่าอากินจันญาญตนะเป็นตัวนําเกิดในะอากินจันญยายาตนาพบนะที่กรรมมันให้ผลนําเกิดอย่างนั้นเพราะตัณหาประกอบเอาไว้เพราะฉะนั้นให้รู้จักกรรมอย่างนั้นออกเข้าสมาบัติออกจากสมาบัติพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วตัดฉั้นราคะในสิ่งนั้นได้นั่นแหละถ้าปฏิบัตินั้นนั่นแหละเป็นญาณเที่ยงแท้ของบุคคลนั้นซึ่งเป็นผู้อยู่จบพรหมจรรย์คือเป็นพระอรหรันต พอฟังจบท่านก็ปฏิบัติตามนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ที่สังสมวาสนาอุปนิสัยร่วมกันก็บรรลุมรรคผลนิพพานตามมา